เมื่อวานสืนอีเยี่ยมท่านจันทนแข็งแรงล้ไม่เจอท่านนานท่านนิมนต์ไปงานหล่อพระท่านานึกแต่พฤษจิกาสองพฤษจิกาหลังจากนั้นนะไม่ว่างตรงกันสักทีไม่ได้เจอนานวันนี้วันเกิดท่านท่านบอกเดี๋ยนี้ท่านสบายแล้ว ถ้ารับแขกถึงส1บอโมงอาจารย์ตามนเนี่ยเก็บโยมไม่ถึงสิบโมงกว่ากว่ามาไม่ทันหรอกสบายนะท่านเลยดูสุขโววิเบโกไปถึงท่านคุยกับท่านพักท่านให้พระออกมากราบพระที่พันษาน้อยกว่าหลวงพอ่อแล้วมากเราลงจากศาลามาทั้งไล่พระลงมาให้มาเรียน ใจกว้างนะใจกว้างคือคนที่ท่านภาวนาเป็นเนี่ยท่านจะไม่ได้ยึดถือว่าต้องวิธีของชั้นดีที่สุดจะไม่มีเลยจิตใจของคนที่เป็นครูบาอาจารย์ที่แท้จริงนะคนที่เข้าใจธรรมะที่แท้จริงนะจะไม่ใจแคบถ้าลองคิดว่าวิธีของชั้นดีที่สุดเนี่ยหรือชั้นดีที่สุดเนี่ยเลียวไหลแล้วทางใครทางมันแล้วแต่จริตนิสัย เนี่ยคนที่ภาวนาเป็นเป็นอย่างงี้ให้เข้าใจเหมือนคนขึ้นภูเขานะมันขึ้นได้รอบทิศเลยทางไหนก็ได้ให้มันขึ้นได้กันล้วกันท่านกับหลวงพ่อเนะี่ยทำมาคนละทางเลยสุดขั้วกันเลยของท่านทําสมาธิแล้ว ม, มาเจริญปัญญาหลวงพ่อเจริญปัญญาแล้วก็เกิดสมาธินะสุดขั้วกันมันมาบรรจบกันตรงไหน มันบรรจบตรงที่ถ้าทำถูกต้องนะสติชนิดเดียวกันจะเกิดขึ้นสมาธิชนิดเดียวกันนะปัญญาชนิดเดียวกันวิมุตชนิดเดียวกันจะเกิดขึ้นนะงั้นท่านไม่มีว่าหลวงพ่อไปหานะรีบไล่ลูกศิษย์ซ่อนให้หมดอย่ามาได้ยินเรานะ <c oughs> ไม่มีเลยแถมอาจารย์ทองวันตามมาคุยกับหลวงอากรบะ เพราท่านอาุโสรวหลงพ่อนะหลวงพ่อกําลังสอนพระอยู่ถ้าท่านเข้ามาเราสอนต่อไม่ได้ท่านก็ไปนั่งห่างไปหน่อยให้มันแบบไม่ได้ยินนะท่านบอกครูบาอาณะว่าท่านเป็นสมาชิกซีดีหลวงพ่อด้วยการภาวนาจริงๆนะมันไม่ให้ภาวนาแบบขับแคบ กูถูกกูเก่งใช้ไม่ได้คนที่มาเรียนที่นี่ไปอยู่ที่วัดท่านนี่เพียบเลยตอนนี้ที่บวชอยู่ที่วัดท่านก็เยอะนี่เรียนดูจิต ด, ดูใจไปไปอยู่ที่น้นที่น้นภาวนานดีเงียบคนน้อยที่นี่ภาวนานลาบากพระมาอยู่ตรงนี้ลาบากโยมเยอะผูห้หญิงเยอะนี่ถ้าเรียนกรรมฐานให้ดีนะจะรู้แล้วว่า คนทางปฏิบัตินี่มีหลายสายในอัตถกถาเนี่ยท่านสอนว่าเจริญกายเวทนาจิตธรรมอะไรก็ได้กายเวทนาจิตธรรมหมายถึงอารมณ์ของวิปนะัสสนาใช้กายก็ได้ใช้เวทนาใช้จิตใช้ธรรมได้เท่านั้นแหละแล้วเวลาขั้นลงมือปฏิบัติเนี่ยจะ ใ, ใช้สมาธินําปัญญาก็ได้ใช้ปัญญานําสมาธิก็ได้ขั้นมารู้กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเป็นขั้นเจริญปัญญา นะก่อนที่จะมาเจริญปัญญาเนี่ยบางท่านทําสมาธิก่อนแล้วมาเจริญปัญญาทีหลังบางท่านเจริญปัญญาไปก่อนนะแล้วสมาธิมันเกิดขึ้นทีหลังหรือทํานิดๆหน่นอยๆอย่างหลวงพ่อบอกให้พวกเราทุกวันไหว้พระสวดมนต์ทสมาธิเดินจงกรมไม่ได้ทําหมรุ้งหมเข้ามาเป็นเอาตายพวกเราทําไม่ไหวนะชีวิตครวะแต่ละวันเห น, น, นื่อยเกินไปแล้ว กลับบ้านให้นั่งสมาธิหลายๆชั่วโมงก็สลบนั่งห้านาทียังจะสลบเลยนะหมดแรง้เราก็ต้องฝึกกรรมฐ า, านเท่าที่เราทำได้ไม่ใช่รอว่าต้องมีสมาธิดีก่อนแล้วมาเจริญตัญญานะถ้ารออย่างนั้นชาตินี้ไม่ได้ภาวนาคนที่ทำมากินอยู่ทุกวันเนี้ยเราไม่มีเวลาทาสมาธิเยอะๆทากันแรมปีนะไม่ใช่ทาวันสองวันนะทำกันแลมปี ใจตั้งมั่นเด่นดวงอยู่นะเราตั้งมั่นเด่นดวงแล้วต้องมาแก้นิด น, นึงก่อนส่วนใหญ่จะไปติดสงบท่านออกมาพิจารณากายเนี่ยเป็นการกระตุ้นให้จิตมันทํางานนะถัดจากนั้นมาเจริญสติในชีวิตประจำวันเหมือนที่พวกเราทําอยู่นี้แหละแต่พวกเราทำเนี่ยเรียวแรงมันจะไม่ค่อยมีมีแรงทีละนิดทีละนิดนะจะประเภทวิ่งมาล่าทอนเนี่ยทำไม่ได้วิ่งร้อยเมตรได้แต่วิ่งบ่อยๆมันก็ไปไกลนะ มีพวกหนึ่งพวกหนึ่งใช้สมาธินําปัญญาพวกหนึ่งใช้ปัญญานาสมาธิพวกหนึ่งใช้สมาธิและปัญญาควบกันพวกนี้ต้องชํานาญชํานาญในสองอย่างนะหนึ่งชำนาญในการทําสมถะเข้าชาญได้ข้อสองต้องชํานาญในการดูจิตสมาธิกับปัญญาควบกันนะี่ยไม่ใช่แบบไปนั่งสมาธิแล้วถอยจิตมานิดหนึ่งพิจารณากายนะไม่ใช่นะ สมาธิกับปัญญาควบกันเนี่ยคือเวลาเข้าสมาธิแล้วเนี่ยพอจิตเคลื่อนออกจากฌานลําดับนั้ น, นท่านจะทวนพิจรารณาองค์ฌานที่เพิ่งดับไปนี่คือการดูจิตนั่นเองในการดูจิตในสมาธิไม่ใช่ดูกายในสมาธินะในการดูจิตในสมาธิแต่อย่างเราทําความสงบนะแล้วก็พิจารณากายอะไรเงี้ยจิตมันรวมมันก็จะ ย้อนไปพิ่หนักกายของมันได้เองเหมือนกันนะอย่างนั้นมีสมาธิอันนั้นจิตมันเดินเองแล้วการปฏิบัติมีทั้งหลายแบบราช น, นสอนไว้สี่แบบสมาธินําปัญญาปัญญานําสมาธิสมาธิและปัญญาควบกันจริงๆมีสมแบบนะแบบที่สี่เนี่ยพวกที่ภาวนาแล้วไปติดความว่างแบบที่4ีนี้ท่านเลยสอนบอกว่าพวกที่มีธรรมมุททัตจะ หมายถึงมีอุททัจจะในธรรมะพวกฟุ้งซ่านในธรรมะนะฟุ้งซ่านในธรรมะเนี่ยมี10แบบคือวิปัสสนูนั่นเองนะวิปัสสนูพวกหนึ่งที่พวกเราเริ่มเป็นเยอะขึ้นนะคือไปติดในว่างว่างติดในความสว่างความว่างตัวนี้ท่านเรียกโอภาสติดโอภาสสว่างว่างสบายมีแต่ความสุขนะท่านบอกว่าเบื้องหลังของมันนะคือความฟุ้งของจิตฟุ้งซ่านแบบไหน เวลาพอนาไปว่างเนี่ยเหมือนจิตสงบนะฟุ้งตรงที่จิตไม่อยู่ที่ฐา น, นจิตส่งออกไป น, นั่นเองเรียกว่าจิตฟุ้งสั้นที่หลวปู่ ด, ดูลเรียกว่าจิตออกนอกนั่เหตุนั้นพวกเราพอนาแล้วว่างอย่างเงี้ยแล้วใจไปเกาะในว่างพวกนี้เสร็จเลยหรือบางคนนะไปสอนดูจิตสอนให้ดูแล้วก็น้อมเพ้าหาความว่างเนี่ยเยอะมากนะช่วงหลังๆเนี่ยพวกเราเรียนๆไปแล้วเที่ยวไป เรียนที่โน้นที่นี้ลเลอะเทอะนะไปติดสมถะไปติดอยู่ในภพว่างๆตัวนี้จริงๆเป็นวิปัสสนูอันหนึง่งเป็นหนึ่งในสิบของวิปัสสนูคือเห็นสภาวะเกิดดับแล้วเห็นแล้วแต่จิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่ถึงฐานนี่หลวงพ่อว่าจิตไม่ถึงฐานในพระไตรปิฎกเรียกว่าอุทธัจจะหลวงปู่ดูลัตว่าจิตออกนอกจิตมันเคลื่อนไปมันเคลื่อนไปจับ ความโล่งความว่างความโปร่งความสบายแล้วเวสบายอยู่กั้นหลายวันไม่มีกิเลสเกิดขึ้นตอนนี้ชักเยอะนะพวกที่สอนดูจิตเนี่ยสอนมาสู่ตรงนี้เยอะมากเลยเพราะตัวเองผ่านไม่เป็นหัดดูเห็นสภาวะเกิดดับได้นิดนิดหน่อยๆแล้วเกิดมีปัจนจะุบนนมันอยากสอนนี่ยังค่อยชั่วบางคนก็แก้ผ่านมาได้บางคนเป็นหนักนะถึงขนาดคิดว่าเป็นพระอรหรันต์วันก่อนมาท่านหนึ่งก็ใช้ได้แล้ว มาสารภาพกับหลวงพ่อเลยว่าไม่ใช่แล้วหลวงพ่อก็บอกหลวงพ่อก็ห่วงอยู่นะหลวงพ่อก็บอกไปหลายทีแล้วว่าไม่ใช่นะไปติดอยู่ในว่างเกาะ อ, อยู่นั้นนะไม่มีกิเลสเลยไม่มีกิเลสเพราะอะไรเพราะว่ามองไม่เห็นกิเลสทำไมมองไม่เห็นกิเลสจิตขนาดนั้นมีอุทธัจจะจิตมันฟุ้งไปในธรรมะฟุ้งไปในหลายอย่างนะฟุ้งในปีติก็ได้ ปิติมากเจอแล้วดื่มดําจิตมันไหลไปเคลิ้มไปในปิตินี่ก็เป็นวิปัสส น, นูนึงในสินะน้อมไปอยู่ในความสว่างในโอภาษ์โล่งสบายก็เป็นแบบนึงน้อมไปเดินปัญญานะฟุ้งไปในปัญญานี่ก็เป็นอีกแบบนึงมีหลายแบบนะพวกหนึ่งน้อมไปในทางทําความเพียรเดินจงกรมหามลุ่งหามคนะ่คํานะที่ว่ากีเลสไม่เกิดเลยนะ หรือนั่งสมาธิหามรุ่งหามคำ่ำนี่ก็วิปัสสนูอย่างหนึ่งวิปัสสนูมี1ิบอย่างไปหาเนาะหลักมีอันเดียวคือจิตไม่ตั้งมั่นเรียกว่าธรมมุททัต จ, จะธรรมะอุทัตจะสนทีกันเรื่องธรรมมุทัตจะฟุ้งไปในธรรมะสบประการจิตไม่ตั้งมัน่นท่านพระนอนบอกว่าถ้ารู้ทันว่าจิตไม่ตั้งมัน่นตรงนี้บอกเป๊ะเลย แต่เดิมลวงพ่อพูดเป่าๆนะเราพูดจากประสบการณ์เอไปเจอตำราเหมือนกันเปียกเลยท่านว่าถ้ารู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมัน่นอย่ตั้งแล้วอริยมรรคจะเกิดจะเดินไปสู่อริยมรรคต่อได้แต่ถ้าลงไปนอนแช่ฟุ้งออกไปอยู่ข้างนอกให้จิตไม่ถึงฐานนะอาริยมรรคไม่เกิดออกเนี่ยปริยัติปฏิบัตินั่งตรงกันเด๊ะๆ เ, เลยนคนที่เกียร์พระเป็นพระอรหันนะเกียร์มาสรารภาพให้ การมฐานแกนแตกไปแล้วสงบมาตั้งนานหลายเดือนเป็นปีๆนะสงบสบายวิเว้งอยู่ฟุ้งสุดขีดเลยเอาไม่อยู่เลยตละดเปิดเปลงเลยสติแตกแต่ยังเก่งมากเลยบอกสติแตกแล้วดิฉันกลับมานั่งน้ำหนึ่งใหม่นี่มันต้องอย่างนี้สิไม่ใช่สติแตกแล้วดิฉันหาทางแก้ให้สติหายแตกนี่จะแตกกำลังสองเลย ตอนนี้ผู้หญิงยัยงเหลืออีกคนนึงนี้อยู่ทางใต้แต่นี้ไม่ยอมฟังไม่เคยมานะฟังซีดีแล้วบรรลุพระอรหันต์ไม่ใช่ฟังแล้วบรรลุไม่ได้นะแต่คนเนี้มันไม่บรรลุใจไปจับแต่ความว่างความไม่เอาอะไรคือถ้าไม่สังเกตให้ดีก็เสร็จหลวงพ่อก็เคยเป็นพูดเต็มปากกมาเนี่ยเพราะว่าเคยเป็น พอนาเนีนะ่ยดูจิตดูใจโล่งว่างอยู่ตลอดพันตลอดคืนอยู่งนีะ้เป็นปีๆเลยแต่เราสงสัยนะว่ามันไม่ใช่มันไม่ตัดนี่จำได้อย่างนึงว่ามันไม่ตัดถามครูบาอาจารย์ไปถามอาจารย์มหาบัวท่านบอกเลยว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตละวนี่โอ้โหดูไม่ถึงจิตแล้วจิตมาออกนอกไปแล้วนึกว่าดูจิตอยู่ ถึงมาสอนพวกเราเต็มปากเต็มคําเนี่ยเคยผิดมาด้วยตัวเองตรงนี้ท่านบอกสําคัญนะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองเนี่ยท่านก็ผ่านตรงนี้มาเหมือนกันเนี่จามหาบัวเราบอกที่ว่าดูจิตอยู่นั้นดูไม่ถึงจิตแล้วตรงนี้สําคัญนะต้องเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรก็สู้บริกรรมไม่ได้เนี่ยเราพอฟังท่านท่านนี้เรามาบริกรรมพรากฏว่าจิตไม่เอาจิตไม่ชอบบริกรรม มาสังเกตดูเอ๊ะทำไมท่านว่าดูไม่ถึงจิตทำไมท่านให้บริกรรมดูไปดูไปอ้อจิตเราไม่ตั้งมั่นจิตเราไม่ถึงฐานนี่เอง <c oughs> เวลาเราจเจริญปัญญารวดไปเลยบางทีเราลืมทำสมถะถ้าทำสมถะได้ก็ดีนะแต่ทำสมถะแล้วไม่จเจริญปัญญาก็ใช้ไม่ได้พวกนี้ยาวนานเลยไปเป็นพรหมเป็นอะไรงนงี้ยพระ <c oughs> พุทธเจ้ามาตรัสรู้บางทีไม่รู้ไม่รู้เรื่อง ไปเป็นพรหมนะพอได้ยินว่าพระเสียอานจะมามเดี๋ยวหายใจอีกทีร่ <c oughs> ้มาหายไปแล้ว <c oughs> ไม่อยู่ซะแล้วนะท่านเป็นพรหมในี่เสียเวลานานะก็อย่าไปเสียเวลานะกรรมฐานนะคนไหนอย่างเป็นพระนะออกไปบวชแล้วมีเวลายเยอะไปนั่งทาสมาธิไม่เป็นไรมีเวลายเยอะเินโยม ไปนั่งทําสมาธิไม่มีแรงอ่ะเดี๋ยวก็หลับเงั้นต้องพยายามเจริญสติในชีวิตประจาวันให้มากเลยท่านที่ทําสมาธิมานะสุดท้ายท่านก็มาเจริญสติในชีวิตประจาวันเข้ามาบรรจบกันตรงที่มีสติอยู่นี่ยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวนี่เองหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกตัวมีสุขมีทุกข์เฉยเฉยรู้สึกตัวโบลบโกรธหลงไม่โลบไม่โกรธไม่หลงรู้สึกตัวสุดท้ายมาลงตรงนี้ ไม่จะเห็นสภาวะทั้งหลายาหลมาไหลไปมีแต่เกิดแล้วก็ดับไปเรื่อยๆก็เกิดมากเกิดผลอย่างเดียวกันนั่นแหละแต่พวกเราก็อย่าไปลำพองพวกเราบางคนลำพองนะมาเรียนกับหลวงพ่อนะจําไปนะแลเที่ยวไปโม้ไปเข้าสํานักโน้นวัดนี้อะไรนะเที่ยวไปโม้ธรรมะเขาเห็นเ้ามองหน้าเขาก็รู้ไสแล้วว่าไสกลวง ภาวนาให้ได้เรื่องได้เราวนะภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์ของตัวเองสู้กับกิเลสของเราเองภาวนาแล้วขันในหัวใจนั้นเที่ยวตะเวนไปสอนคนนั้นคนนี้เขาไฟวิจารณ์สัมนัล้นผิดสัมนักนี้ผิดนะตัวเองไม่เข้าใจการปฏิบัติถ้าเข้าใจการปฏิบัติจะรู้ว่าไม่มีใครผิดใครถูกหรอกเพียงแต่ว่าคนนี้เขาภาวนาอยู่ถึงจุดนี้สมให้ขึ้นภูเขาภูเขาลูกนี้สูงพันเมตรคนนี้เขาอยู่ที่ร้อยเมตร คนนี้เขาอยู่ร้อยห้าสิบเมตรทางตะวันออกคนนี้สองร้อยเมตรทางตะวันตกอะไรเงี้ยเข้าใจแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคนนี้เขาอยู่กับที่คนนี้จะขึ้นเขาแต่เขากําลังลงเหวไปนะคือเดินตรงข้ามกับทางเดินของมรุ ก, ก็มีนะสารพัดนะไม่ใช่ว่าทุกคนทุกแห่งที่ใดที่หนึ่งจะถูกหมดที่ใดที่หนึ่งจะผิดหมดไม่มีหรอก เม้่เราเรียนเราเรียนเอาหลักเรียนเอาหลักหลักของการมีสติรู้กายรู้ใจทําความเป็นจริงนี่พวกเราส่วนใหญ่ที่มาเรียนที่นี่เป็นคนเมืองพวกช่างคิดส่วนใหญ่ก็เลยต้องดูจิตเอาพอไปทําสมาธิแล้วมาดูกายไม่มีเวลาทําสู้ไม่ไหวแต่ไม่ใช่ว่าคนดูกายทาสมาธิแล้วมาดูกายเขาผิดใช่ไหมหรือถ้าพวกที่เขาทําสมาธิเขาดูกายแล้วเขาบอกดูจิตผิด เรื่องของเขาเรามีหน้าที่ละกิเลสตัวเราเองไม่ได้มีหน้าที่ไปตีกับใครนะภาวนาไม่ตีกับใครหรอกนะหลวงพ่อเรียนจากหลวงปู่ดุลก็จริ๋นะเรียนจากหลวงุู่ดุลนี่เก็เข้าใจสิ่งที่ท่านบอกในเวลาไม่กี่เดือนนะแต่ไม่ได้อยู่ที่หลวงปู่ดุลองเดียวหรอกนะครูบาอาจารย์ที่ไหนดีนะไปหาทั้งนั้นนะเที่ยวตะเวนไปเรื่อยๆยกเวน้นยกเว้นครูบาอาจารย์ที่สอนไม่ได้ หลวงพ่อชาเนี่ยไม่ไปหาเพราะท่านนอนเฉยๆแล้วท่านสอนไม่ได้ตอนนั้นเริ่มภขาวันปี 2-5 หลวงปู่ขาวเนี่ยท่านอยู่ในตู้กระจกแล้วท่านสอนไม่ได้ไม่ไปหลวงพ่อตะเวนไปเรียนจากครูบาอาจารย์เนี่ยเยอะแยะเลยสัก40องค์ได้40ขึ้นอ่ะสารพัดเลยแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นครูบาอาจารย์สายทางวัดป่า ทางนอกวัดป่าก็เคยไปดูไปกราบท่านพุทธทาสก็เคยไปหลวงปู่บุตรเนี่ยไม่รู้จักท่านอีกองที่เสดายหลวงปู่ดูเนี่ยไม่รู้จักท่านอยู่ใกล้ๆนะหลงหมวดแต่ไปเรียนที่ใกลๆหลวงพ่อเทียนก็เคยเข้าไปเข้าไปดูครูบาอาจารย์เยอะๆเลยตอนก่อนจะบวชนียยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะบวชวัดไหนนะยังเที่ยวไปดูอีกนะ แตะทั่งสายอาจารย์แนบเขไปดูสายฟองยุบเขไปดูนี่ mm. เที่ยวไปดูได้่อย mm. ๆเที่ยวตะเวนดูเขาปฏิบัติกันการที่เราได้เห็นมิธีปฏิบัติเยอะเลยรู้เลยว่ามันไปไดนะ้ขอให้หลักของการเจริญสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะถูกต้องเท่านั้นนะ ใ, ชใช้กรรมฐานอะไรก็ใช้ได้นะใช้ได้ทางนั้นเลย แก็รมฐาบบางอย่างเอื้อกับการเจริญสติบางอย่างไม่เอื้อกับการเจริญสติอย่างพวกกระสินเนี่ยกรสินที่ดวอกนอกเนี่ยจะไม่เอื้อกับการเจริญสติกระสินภายในเนี่ยจะเอื้อกับการเจริญสติแต่ก็เจริญยากกระสินภายในคืออะไรคือลมรู้ลมเนี่รู้ลมรู้ไปเรื่อยๆหรือบางคนดูท้องฟองยุบนี่เป็นกระสินนะเป็นสมถะดูท้องฟองยุบดูลมหายใจ ขยับมือนี่ก็กสินนะถ้าเพ่งใส่มือถ้าเพ่งใส่มือก็กระสินกสินดินเพ่งดูเพ่งท้องก็กระสินกสินดินเพ่งลมหายใจก็ไปทํากสินลมนะบางคนใครรู้เย็นรู้ร้อนรู้อ่อนรู้แข็งเพ่งกสินหนึ่เพ่งกสินไฟรู้เย็นรู้ร้อนลําพังเพ่งกสินเนีไม่เกิดปัญญาได้แต่สมถะสงบเกิดปิติ แต่ถ้าจิตตั้งมั่นมีสติระลึก ร, รู้รูปนามที่กําลังปรากฏนะมีจิตตั้งมั่นเมื่อตัวที่ชี้ขาดละว่าได้ไม่ได้อยู่ที่ตัวสัมมาส ม, มาธิตัวที่จิตตั้งมั่นนี้แหละสํานักทั้งหลายที่ไปดูเนี่ยมีสติไหมมีอย่างบางคนเดินจงกรมนะสติไม่เคลื่อนเลยรู้สึกตลอดเลยจะขยับอะไรนี่รู้สึกหมดเลยแต่ว่ามันเพ่งเพ่งใส่มือจิตเข้าไปแนบ ขยับเนี่ยจิตมันแนบไปเดินจงกรมจิตไปอยู่ที่เท้าอะไรอย่างเงี้ยนั่นตัวที่ขาดจริงๆนะที่ทําให้ไปไม่รอดปัญญาไม่เกิดก็คือความตั้งมั่นของจิตจิตไม่ตั้งมั่นก็ไปทําอะไรจิตไปสร้างภพไปสร้างภพขึ้นมาหนึ่งนิ่งๆว่างๆบ้างอะไรบ้างส่วนใหญ่ติดสมถ ะ, ะแต่การที่เรามีสติรู้กายรู้ใจในปัจจุบันก็เป็นภพอันหนึ่งเหมือนกัน มีตัณหาอยากปฏิบัติอยู่เบื้องหลังเหมือนกันแต่ว่าเบื้องต้นก็ต้องมีไว้ก่อนแล้วก็มีสติรู้ทันไปต่อไปพอทีแรกก็อยากปฏิบัตินะมหัดดูสภาวะไปได้พอสติเกิดเองคราวนี้ไม่ต้องจงใจแนละ้ว ส, ต, สติเกิดเองรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลามานะั่นจิตจะตั้งมั่นเองพอมันเป็นเองเนะี่ยไม่ได้เจือด้วยความจงใจไม่มีตัณหาไม่เป็นภพนะจะเห็นแต่ถ้าขันมันทํางานไปเรื่อย ถ้าเชือด้วยความจงใจอยู่เป็นภพแต่เบื้องต้นก็ต้องเชือด้วยความจงใจบ้างไม่จงใจเลยก็ ห, หนีไปที่อื่นไม่ภาวนาค่อยฝึกค่อยหัดทุกวันทุกวันไม่ละเลยไม่ต้องรีบเดินห อ, อกไม่ต้องรีบนิพพานหลอเพื่อนบ้างไม่ต้องรีบแต่เดินทุกวันไม่เลิกปฏิบัติไปทุกวันเดินไปวันละก้าวละก้าทุกวันทุกวันอย่าหยุดเท่านั้นแหละ เดินให้ถูกทางนี่าเดินออกนอกทางจะสําคัญที่สุดเลยเดินผิดทางเดินออกนอกทางของการเจริญสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงก็ห่างไกลมากผลออกไปเรื่อยอยังจะไปเชียงใหม่นะหันหน้าไปทางพนมเปญแล้วเดินไปเรื่อยนะเดินไปจนรอบโลกนะกลับมาอยู่พนมเปญไม่ถึงเชียงใหม่แก็ต้องเรียนให้รู้ว่าวิาวธีปฏิบัติจริงๆเดินได้ถูกทางทาง ของการเจริญสติปัฏฐานการเจริญวิปัสสนากรรมฐานให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไม่ใช่แค่รู้กายรู้ใจถ้าแค่รู้กายรู้ใจยังเป็นสมถะต้องรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงคือต้องเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจถึงจะเป็นวิปัสสนาถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เป็นวิปัสสนาท่องไวเลยนะนี่เป็นสูตรเลยเป็นกฎ ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่วิปัสสนาถ้าคิดเรื่องไตรลักษณ์ก็ไม่ใช่วิปัสสนาคิดเรื่องไตรลักษณ์ยังไม่ขึ้นวิปัสสนาคิดเรื่องไตรลักษณ์สูงสุดไปแค่สัมมาสัญญาณยังไม่ขึ้นวิปัสสนาคือไม่ขึ้นอุทธยปยญาณอุทธยปยญาณนี้จะเห็นความเกิดดับของรูปนามอย่างเราเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดแล้วดับเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดแล้วดับเห็นต่อหน้าต่อตายนี้เห็นเกิดแล้วดับไปเรื่อย อันหนึงดับไปนั้นก็จะมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นอยู่แล้วเดี๋ยวอันใหม่มาเกิดอีกเกิดแล้วดับไปอีกมีช่องว่างมาขั้นจะเห็นเลยทั้งรูปทั้งนามไม่ใช่อันเดียวมันเกิดดับสืบเนื่องไปเรื่อยๆนี่เห็นอย่างนี้ถึงเรื่องมีปัญญาละความต่อเนื่องได้การที่พวกเราเห็นผิดว่ามีตัวเราอยู่คนหนึ่งเนี่ยเพราะสัน ต, ติคือความสืบเนื่องมันไม่ขาดอย่างในร่างกายเนี่ยสติปัญญาเราไม่พอที่จะเห็นว่ารูปมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลา เรามองไม่ออกหรอกหลายๆปีถึงจะดูออกว่าหน้าไม่เหมือนเดิมนานๆถึงจะดูออกในความเป็นจริงมันเกิดดับอยู่ตลอดแต่มองไม่เห็นดูยากถ้าไม่ทรงฌานจริงๆนัดูยากทางกายเนี่ยเนื่องที่ท่านทําสมาธิแล้วมาดูกายท่านดูถูกนะทำถูกแต่ดูจิตดูใจนั้นจิตมันอายุสั้นเห็นแวบก็ขาดแล้วแวบก็ขาดแลดูแล้วมันวับวับวัไปเรื่อยเห็นได้เกิดกับดับ สภาวะหนึ่งเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเหมือนกันหมดเลยทั้งกุศลทั้งอกุศลทั้งสุขทั้งทุกข์เกิดแล้วดับเหมือนๆกันหมดเลยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเช่นเห็นความโกรธเกิดขึ้นตรงที่มีสติรู้ทันนัความโกรธก็ดับไปไแล้วก็มีสติขึ้นมาอีกทีรู้ว่าจิตเมื่อกี้รู้สึกตัวถัดจากนั้นจิตอาจจะหลงไปคิดก็ได้ก็ ม, มีสติรู้ว่าจิตหลงไปคิดเนี่ยรู้เป็นช็อตๆไปดูเหมือนดูการ์ตูน ตัวการ์ตูนนะั่นเราเห็นตัวการ์ตูนมันเดินได้หนังการ์ตูนนะอย่างสมัยหลวงพ่อตัวการ์ตูนตัวสุดท้ายที่หลวงพ่อรู้จักนั้นคือโดเรมอนหลังจากนั้นไม่ได้ดูละมาบวชไม่ได้ดูเราเห็นโดเรมอนเดินได้โดเรมอนแสดงความรู้สึกได้เป็นอย่า ง, งน้นเป็นอย่างนี้วิ่งไปวิ่งมาได้บินได้ในความเป็นจริงของมันเป็นรูปแต่ละรูปเท่านั้นเองแต่รูปนั้นมันเกิดดับสืบต่อกันอย่างรวดเร็วเราเลยเห็นว่า รูปนั้นมีอยู่จริงๆถาวรเราเคลื่อนไหวได้จริ ง, ร, งรูปในรูปแวบบเดียวก็ดับไปแล้วอย่างรูปในโทรทัศน์ที่เราเห็นนะหนึ่งรูปใช่ไหมเกิดดับตั้งหลาย10ครั้งกี่สิครั้งไม่รู้จําไม่ได้แล้วในกายในใจนี่เหมือนกันถ้าเราไม่เห็นความเกิดดับสืบเนื่องไปเราก็รู้สึกว่ามีตัวตนถาวร น, นะถ้าเราคอยดูเห็นจิตใจนี่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะ เห็นอย่างนี้มันจะขาดเป็นช่วงช่วงจิตที่โกรธตัวหนึ่งจิตที่โลภตัวหนึ่งจิตที่หลงตัวหนึ่งความขาดออกจากกันเป็นช่วงช่วงนึงมันจะรู้ว่าตัวตนถาวรไม่มีตัวตนถาวรไม่มีเหมือนเราไม่ได้ดูหนังการ์ตูนแ ล, ล้วแต่ดูฟิล์มหนังในฟิล์มหนังมันเป็นตัวตัวเป็นแต่ละรูปแต่ละรูปคนรุ่นนี้ยิ่งถูกหลอกลวงหนักไปใหญ่เป็นระบบดิจิทัลใช่ไหมเปิดแผ่นดิสดูไม่ออกเลยว่าเป็นแต่ละรูปแต่ละรูปดูไม่ออกแล้ คนโบราณยังดูได้ปรุงแต่งน้อยกว่าเดี๋ยวนี้ยังเห็นว่ามันเป็นรูปๆเดี๋ยวนี้ไปอธิบายให้เด็กฟังว่าการ์ตูนมันเขียนเป็นทีละรูปทีละรูปเด็กมองไม่ออกมันเห็นแต่แผ่นซีดีรู้สึกนี่แหละเที่ยงเที่ยงดูยาก <c oughs> ของหลอกลวงมันเก่งขึ้นเรื่อยๆหลอกได้สนิทนลยการที่เราเห็นนะว่าจิตใจเราเกิดดับเป็นดวงๆไป จิตที่โลภมันก็อันหนึ่งนะจิตที่โกรธก็อนจิตที่หลงจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่หดหูจิตที่ลังเลสงสัยจิตที่สุขจิตที่ทุกข์จิตที่ดีทั้งหลายไม่โลภไม่โกรธไม่หลงจิตแต่ละดวงเกิดแล้วดับหมดเลยเช่นโกรธก็อยู่แวบหนึ่งก็หายไปรู้สึกตัวขึ้นมาก็อยู่แวบเดียวหายไปเดี๋ยวหลงไปใหม่หลงไปรู้แวบเดี๋ยวก็รู้สึกขึ้นมาอีกขาดชีวิตขาดเป็นช่วง เพราพเรานานนะเราทํำวิปัสสนาเนี่ยมันต้องขาดเป็นช่วงๆให้เห็นขาดแล้วจะเห็นอะไรเห็นว่าสันตติมันบังตาเราสันตติมทาให้เรารู้สึกว่ามีตัวตนจริงๆสันตติคือการสืบเนื่องอย่างรวดเร็วแล้วเราก็ดูไม่ออกว่ามันขาดจากกันเวล่เราหัดเจริญสติเรื่อยๆนะดูจิตดูใจไปเราจะเห็นจิตเกิดดับไปเรื่อยๆเดี๋ยวโลดเดี๋ยวปลวดเดี๋ยวหลงเดี๋ยวไม่โลดไม่กลดไม่หลงเป็นคู่ๆนะ มีจิตโลภแล้วก็เกิดจิตไม่โลภมีจิตโกรธแล้วก็จิตไม่โกรธมีจิตหลงจิตไม่หลงเหลือเป็นคู่คู่ไปมีจิตสุขแล้วก็จิตไม่สุขจิตทุกข์แล้วก็จิตไม่ทุกข์เป็นคู่คู่ไปจะเห็นในทุกอย่างนะเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปเรื่ถึงจุดหนึ่งรู้ว่าตัวเราถาวรไม่มีหรกมีแต่สภาวะที่เกิดดับสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆคําว่าสืบเนื่องคือคําว่าสันตินิดนึ่ง ตรงวิปสัสสนาแท้ๆเนี่ยสัน ต, ติขาดเราเห็นว่าจิตที่โลภก็ดวงหนึ่งจิตที่โกรธก็ดวงหนึ่งนะขาดเอาอย่างนั้นขา ด, ขาดมีช่องว่างเล็กๆหมาขั้นด้วยซ้ําไปจิตขึ้นวิถีมาแล้วลงแบงค์แบงค์ไปช่ว ง, งแล้วขึ้นมาใหม่มีช่องว่างมาคั้นเห็นอย่างนี้บ่อยๆเราก็ละความเห็นผิดได้ว่ามีตัวตนถาวรมันมีแต่เกิดระดับเกิดระดับเป็นขณะขณะไปมีชีวิตเป็นขณนะขณะมีชีวิตเป็นปัจจุบัน เป็นขณะขณะไม่มีตัวตนถาวรนี่คล้ายๆเราดูมาถึงฟิล์มหนังแล้วไม่ใช่ดูหนังในจอดูหนังในจอนะมีพระเอกมีนางเอกเคลื่อนไหวได้จริงๆถ้าดูที่ฟิล์มหนังเนี่ยเห็นมันคนละรูปกันมันไม่เกี่ยวกันมันแค่มาเกิดดับต่อกันเร็วๆมันหลอกเนาะการที่มันเกิดดับต่อนเนื่องกันรวดเร็วมันหลอกทําให้เราเห็นว่ามีตัวตนในตําราเลยบอกสัน ต, ติปิดบัง อนัตตาอนัตตาความไม่มีตัวตนสัน ต, ติความสืบเนื่องความปิดบังอนัตตาไว้นะแล้วเราก็คอยดูเอาไม่ยากเท่าที่คิดหรอกใครถนัดกรรมฐานอะไรก็ทำนะแต่ทำด้วยความรู้สึกตัวอย่าลืมกายอย่าลืมใจแล้วก็อย่าเพ่งกายอย่าเพ่งใจคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใ จ, กใจบ่อย ลืมกายลืมใจก็สุดโต่งไปข้างหลงเพ่งกายเพ่งใจก็สุดโต่งไปข้างบังคับรู้กายรู้ใจเป็นทางสายกลางรู้ไปตามความเป็นจริงคือเห็นมันเป็นไตรลักษณ์ถึงวันหนึ่งก็เป็นพระโสดาบันละความเห็นผิดได้ว่าตัวเรามีอยู่จริงๆคนที่ไม่ใช่โสดาจะรู้สึกในนี้มีเราอยู่คนนึงเราคนนี้ก็เราตอนเด็กๆเป็นเราคนเดิมจะรู้สึกมีเราถาวร อ, อยู่คนหนึ่ง นั้นภาวนานะเห็นมันจิตมันเกิดดับไปเ ป, ป็นระยะระยะไปจิตโลภจิตโกรธจิตหลงจิตฟุ้งซ่านหดหูนั่นเกิดดับไปดูไปเล่นเล่ น, ลนไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันหรอกคล้ายๆเอาฟิล์มหนังมาดูดูฟิล์มหนังไปทีละเฟรมทีละรูปทีละรูปไปดูไป ถ, ถึงมันนึงไม่เห็นมีตัวตนจริงจังเลยนะเป็นภาพหลวงตาทั้งหมดเลยตัวตนตัวตนไม่มีหรอกก็เข้าใจธรรมะแล้วตัวเราไม่มีหรอกรารอกายนี้ใจนี้ไม่ใช่เรานาะ เข้าใจอย่างนี้ก็ได้เป็นพระโสดาบันะต่อไปก็ดูมันอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกหละเห็นแล้วกายกระใจไม่ใช่เรานะแต่แอบยึดถือไม่ใช่เราแล้วยึดได้ยังไงตัวนี้คิดยากชนะคิดแล้วเข้าใจยากแต่เปรียบเทียบให้ฟังคล้ายๆเราไปยืมของคนเข้ามายืมรถเข้ามาขับยืมมาหลายปีไม่ได้คืนเจ้าของแนละ้วเลยนึกว่ารถตัวเองวันหนึ่งเจ้าของมาทวงคืนไปกนะ็นึกขึ้นได้ว่าไม่ใช่รถของเราหรอก แต่เสียดายนะไม่อยากคืนเขารู้ว่าไม่ใช่ของเราแต่งกนี่รู้ว่าไม่ใช่ของเร า, แ ต, เร า, เราแต่งกเนี่ยคือภูมิจิตของพระสกทาคาพระอนาคางกนะไม่คืนพระนาคาหน้าบางหน่อยเห็นแล้วกายนี้เป็นทุกข์นะคืนนะยอมคืนคืนกายให้โลกได้แต่ยังหวงจิตอยู่จิตนี้ของดีของวิเศษนะ จเจริญปัญญาตามรู้ตามดูไปเห็นทุกข์ล้วนเลยจิตนี้ก็ทุกขนะ์นั้นตัวรู้นี้ก็ทุกข์ล้วนเลยก็ยอมคืนจิตให้โลกไปคืนเจ้าของโลกว่าเป็นเจ้าของกายเจ้าของใจนี้เราไปคิดตู่เอาของโลกมาเป็นของเรานะพอเรารู้ว่าไม่ใช่เรานะเราก็เห็นเลยมันไม่ใช่ของดีหรอกมันก็ยอมคืนถ้ายัางสําคัญมั่นหมายว่าเป็นของดีของวิเศษอยู่ก็ไม่คืนถ้ารู้ความจริงว่าไม่ใช่ของดีของวิเศษแต่เป็นตัวทุกข์มันจะคืน เพราะงันเบื้องต้นที่จะเป็นพระโสดาบันเนี่ยนั้นดูลงไปในกายในใจนั้นดูไปจนเห็นมันเกิดดับไปจะรู้ความจริงเลยไม่มีตัวเราได้เป็นพระโสดาบันนะถัดจากนั้นดูไปอีกจนเห็นแต่ว่ากายนี้ใจนี้มันเป็นทุกข์ล้วนๆเลยเรารู้ว่าเป็นทุกข์แล้วมันคืนให้โลกคืนให้โลกก็เป็นพระอระหันต์นะไม่ยึดกายไม่ยึดใจการปฏิบัติตั้งแต่ต้น จ, นจนจบมีแต่เรื่องกายกับใจ แต่ปัญญานี้ไม่เท่ากันปัญญาเบื้องต้นเห็นว่าไม่ใช่เราปัญญาเบื้องปลายเห็นทุกขนะ์นั่นเองท่านว่าเห็นทุกข์ก็เห็นธรรมเห็นทุกข์ก็ปล่อยวางนะหมดสมูทไทยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคเป็นพระอราหานุ่งนะั้นไม่ยากเท่าที่คิดนะแต่ถ้า อ, อดทนคอยรู้กา ย, ยรู้ใจไปเรื่อยดูเขาทํางานไปเรื่อยอย่าเสียเวลาอย่าขี้เกียจหน้าตาวัานนี้พวกขี้เกียจเยอะมากเลยนะ เชิญไปทานข้าวไปนิมนต์เลยครับ